เรื่ออาของผมไปกันได้ครับเช่ครับครับสามารนะเดี๋ยวเราอ่านอัลกุรอานกันก่อนนะครับผมอัลูอฮฺบิลลัฮิมีน ash-shaitanir rajim b i s m i l l إ, ز ل ز ل ز ز أ ال ذ เด ز ุ ل ซีลาทิล الأرض ز ีลาเธ ا และอัท الأرض อัทร์กาลُเธอและว่ากันว่ามนุษ ทูเหตอัรหบอนรบบัฮยมัยดิยดุรุนสอัชเตลลิยูรูอัม فَمَن يَعْمَلْ م ِ ث ْ قَلَدَرَةٍ قَيْرَيَرَ وَمَن يَعْمَلْ مِنْ ق َ ل َ ذ َ ر َ ة ٍ شَرَيَرَ خَبِّسْ ِ ا ل ل ه ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَالْحَمْدُ لِلَّهِ ن َ ح ْ م َُ ه ُ وَنَسْعِنُهُ و َ ن َ س ْ ف ر َُ س ْ ح َ ر ِ و ن ว <الس لام. S 1> ันนี้เรามาเรียนรู้คำพูดหรือว่าําพำหลับของพระอลค์นะครับบทนี้จะเป็นบทที่99สุรออัลจัลลหอััลรือว่าการแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงครับผม ในส่วนี้ยังคงเป็นสุรอมักกียาซึ่งก็เหมือนกับสุรส่วนใหญ่ในยุสอัล ม, มะนะครับที่ว่าส่วนใหญ่จะถูกประหารกอดการอพยพซึ่งก็จะพูดเกี่ยวกับสภาพของวันสิ้นโลกเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มพูดอิหมานในส่วนนี้ครับมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะมากเรามาดูถึงความประเสริฐของสุร้อนนี้กันก่อนความประเสริฐของสุรอะสุรัสสุรที่เก้าสิบเก้านี้นะครับผมมีครั้งหนึ่งอันนี้อยู่ในบันทึกของอิหมั่นอัลฮมมัด มันมเรียกมาบาหมัดซึ่งเป็นฮะดิษฮัสซันฮะดิษฮัสซันไม่ถึงขั้นซอยเนียแต่ก็ยังอยู่ในประเภทของฮะดิษที่ว่าเชื่อถือได้ครับมีครั้งหนึ่งครับได้มีผู้เฒ่าก็คือคนที่มีอายุ่นะครับผผู้อาวุโสคนนึงมาท่านบีมัสลอร์ฮอลเลซันแล้วก็บอกอยากรสุลแล้วช่วยบอกให้กับฉันหน่อยว่าฉันควรจะอ่านสเราะอะไรคือเหมือนกับว่าผู้เฒ่าท่านนี้มาก็คือแบบคนที่อายุเยอะแล้วแล้ ว, ลวก็อัลกุรอานที่เรารู้ก็คือมีหลายบท เขาอยากจะได้สักส่วนหนึ่งที่ว่าเขาจะอ่านไปเป็นประจำที่มันจะได้เป็นสาระสําหรับเขาเป็ น, นเครื่องเตือนสติกับเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาตลอดชีวิตเขาก็เลยไปหาท่านอับดุลเบี๋ยมัสลสลัลลอฮฺอัสลามแล้วก็บอกว่าช่วยบอกฉันหน่อยจะให้ฉันอ่านอะไรท่านอับดุลเบี๋ยมัสลสลัลลอฮฺอัสลามได้บอกว่าไงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณควรจะอ่านสามบทที่ขึ้นเต้นได้กับอะลิฟแามรอ สบทที่ขึ้นต้นด้วยกับอลิฟรามรอวันกุสซารามุกโลบบารองกาทุกครับถ้าเกิดเราดูในคัมภีกุรานครับในกุรานบทที่ขึ้นด้วยอลิฟรามรอจะมีทั้งหมดอยู่ห้าบทในกุรานนะครับบทที่ขึ้นด้วยกับอลิฟรามรอจะมีบทที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสี่สิบห้าเรียงกันยกเว้นสิบาเพราะสิบสาจะเป็นอลิฟรามมีมรอจะมีมีมแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นจะไม่นับนะครับผมในสระรออะนะครับผมก็คือ มีราอะไรบ้างครับสุรยูนุสสุรหาฮุดสุร่ายูซุฟสุร่าอิบราฮิมแล้วก็สุรอัลฮิจร์ที่ึ้นเดินกับลิฟลามรอมีทั้งหมดหสุร่าผมทวนอีกครั้งนึ่งนะครับเผื่อจะได้จดเป็นจดไว้นะครับสรุปก็คือสุร่าที่สิบถึงสุราสิบห้ายกเว้นสุร่าที่สิบสามนะครับผมสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสี่สิบห้าุร่ยูซุฟสุราฮุดร่ยูนุสสุร่าอิบราฮิมสุร่าอัลฮิจิรอันนี้ไม่ได้เรียงลดับ ซึ่งพอเราเห็นตัวเลขว่าตัวเลขขึ้นด้วยหลักสิบอะครับต้องอยู่ในประเภทสุรัตที่ยาวแน่นอนถูกไหมครับก็คือกินความยาวเกือบจะยุคหนึ่งสุรัตที่ยาวๆพอคุณลุงท่านนี้ได้ยินปุ๊บท่านบอกว่าไงครับยาเราสุรลุล่ะกับบรุรษินนี่ฉันเนี่ยก็อายุเยอะแล้วใจฉันเนี่ยมันก็ใจแบบคนมีอายุอะครับกับใจคนหนุ่มความสู้มันสู้ไม่เท่ากัน คือใจฉันมันก็สู้ไม่ค่อยไหวแล้วลิ้นฉันมันก็หยาบคือแก่ก็แก่แล้วใจก็ไม่ค่อยสู้แล้วลิ้นก็หยาบขอสุราที่มันสั้นกว่านี้ได้ไหมขอสุราที่สั้นกว่านี้เพราะเจอยาเอาอย่างนี้ห้าบทอ่านประจําก็ไม่ไหวท่านอบีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อ่านสุราที่ขึ้นต้นด้วยกับฮามินเลือกมาสามบทเช่นเดียวกันสามบทจากสุราฮามินเออขอมาครับ ท่านอบีไม่ได้เช็คคำว่าสาบทเช็คคำว่าอ่านอะไรก็ได้ที่เป็นส่วนหนึ่งจากฮามีมซึ่งสุรหามีมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับฮามีมจะมีทั้งหมดตั้งแต่อายะที่อสัสรัตที่สี่สิบถึงสุรัะที่สี่สิหกมีทั้งหมดเจ็ดสุรัตสี่สิบสี่สิเอ็ดสี่สิบสองสี่บสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสิบหกครับรวมทั้งหมดเจ็ดสุรัตก็คือมีสุรัตกอฟินี่คือสุรัตที่ขึ้นต้นด้วยกับฮามีมบางท่านจะเรียกว่าเป็นสุ คือซูร์ร้อที่ขึ้นต้นได้กับฮามีลซึ่งรวมทั้งหมดก็มีหลายบทอยู่ก็มีเจ็ดบทผมจาทราบกันก็คือท่านบิวมสัสสัลลัมก็ล ด, ดลงมาจาก 10. สิบซูร์ร้อแรกๆใช่ไหมครับก็ให้ล้นลงมาเป็นสี่สิบกว่าสี่สิบกว่ามันก็จะสั้นนิดหนึ่งเริ่มสั้นละแต่คุณลุงท่านนี้ก็ยังบอกว่าผมไม่ไหวดีผมไม่ไหวคือกระช้นแล้วใจก็ไม่ไปสู่แล้วตัลว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับอายุช่งวงวัยมีผล อาวุธอายุกับช่งวงวัยเนี่ยมีผลท่านพุทธาวัณนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันขอเอาอันอื่นๆที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหมท่านเบียร์นัสไซส์บอกไงครับท่านก็ให้อ่านสามบทที่เป็นการตัสเบียอัลลอฮ์ที่เป็นการสันติยาอัลลอฮ์ก็คือที่ขึ้นต้นด้วยกับซับบ้าฮ์หรือว่าซุบฮานอัลลอฮ์หรือว่าซับบิฮิสมลอฟบิกันอาห์อะที่เรารู้ที่ว่าเป็นซับบ้าทั้งหลายนะครับผมซึ่งถ้าเกิดรวบรวมดูในคุรานนะครับจะมีทั้งหมดเจ็ดสุลาะ ก็คือสุราอิสลาม س ب อบ ن الذي ิ س ر ى بأبده ليلة من المسجد ا ل ح อิ م إلى ا ل م س ج ก็คือสุราอสลานะครับก็คือสุราที่17สุราที่57คือสุราอัลฮ ادي ดสุรา59คือสุราอัลหัจสรา61คือสุราอัอฟรา62คือสุราอัลชมะ ซูลาะที่หกสิบสี่คือซูราะอัตตอบุนแล้วก็ซูราะที่แปดสิบเจ็ดคือซูราะอัลอาลลาอัลลาอันนี้น่าจะคุ้นหูกันซับบิสมรบิกลอัลลาทั้งหมดนี้คือต้นเดียวกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์หมดเลยถ้าไม่ใช่ซับบาฮาเขาอีซับบิฮ uh ูมัก็ซับอ ah ับฮนิลาฮีหรือว่าซ ah ับบิสมรบิกลอัลาหรือซับาฮานั่ล้จะเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์หมดนั้นอย่างไรวันนี้เราก็ได้ ความรู้เสริมเกี่ยวกับคุรานใช่ไหยครับแล้วก็รู้แล้วว่าคุรานส่วนร้อยในบ้านที่เนื้กับอาริฟรามมี ม, มอาลิฟรามรอขอาไปแล้วก็ที่เริ่มด้ืยอกับฮามีมที่ว่าเป็นการต er ัสเบียคิดว่าคุณลุงจะไหวยังไงครับยังไม่ไหวอยู่ดีไม่ไหวเยอะเยอะออเพราะว่าอันนี้ครับ ท่านนบีก็บอกว่าให้เลือกมาสามอันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสัดีต่อเรา ล, ลุงก็บอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวท่านนบีมัสเะสลัมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้อ่านอีดาซึนซิลาตินอัลซินซาละฮะบทเดียวเลยสุร้อนเดียวเต่ว่ท่านนบีกรองของกองของกรองของกอ ง, อ ง, อ ง, องอจากฮาริฟรามรอนะกองมาเป็นฮามีนนะมาเป็นจัสบียนะแล้วก็ไม่ไหวจริงก็เป็นอีดะซึนซิลตินอัลจซินซาละฮะประเด็นจากฮาริฟส์มนี้เราได้เลยเยอะแยะมากเลยแต่ฮาริฟยังไม่จบเราคุยฮาริฟส์ให้จบกน สัค ร, บ, ร, ร, า ร, าคร บ, บายดีนะครับผมบาอาหารดีลนะสบายดีครับตลอดเวลาดีครับผมไปเรียนครับพลิศไอ้นี่จะ ไ, ไม่จบก็คือหลังจากที่ลุงคนนี้ได้ของดีไปแล้วอ่าได้ของง่ายๆสั้นๆไปแล้วลุงก็บอกว่าผมจะไม่อ่านอะไรมากกว่านี้อีกแล้วตลอดชีวิตจานบทนี้บทเดียวเลยถ้าเป็นเราเราฟังเรารู้สึกไงครับแค่นี้เองจานแค่ยาสุดหบทเดียวตลอดชีวิตเลยเหรอ ท่านนบีมุสลิมสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าไงครับท่านนบีบอกว่าอัฟละอัรไวจุลอัฟละอัรไวุลฮะดีษนี่ะดษอัสันคือท่านนบีบอกว่าหนุ่มน้อยท่านเนี่ยเขาจะได้รับชัยชนะถ้าเขาทาได้ตามที่พูดหนุ่มน้อยท่านนี้จะได้รับชัยชนะใช่ครับว่าหนุ่มน้อยก็คือไม่เป็นหนุ่มเหลือน้อยครับเพราะปวดเวอร์โสโก็คือเป็นคาพูดที่นบีพูดเชิงหยอก ยาบยาวเรื่กับความรักแจกคนทีสวันนี้ครับสิ่งที่เราได้รับก็คือประการแรกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผัวละความเมตตาของผัวละก็คือเหมือนกับที่ศาลาบีมัสรัสรามพูดว่าฉันถูกแต่งตั้งมาเพื่อให้ความง่ายดายไม่ใช่เพื่อมาสร้างความยากลําบากบุ伊斯ุหมุยสิรินลาหมอสิรินฉันถูกแต่งตั้งมาเพื่อให้สร้างความง่ายดายให้เกิดกับมนุษย์ไม่ใช่สร้างความยากลําบากเพราะเราดูครับมีคนมาหาท่านอบีแล้วก็บอกว่ากุรานทางเล่มจริงจมุสลิมต้องอ่านกุรานทางเล่ม ถูกไหมครับเพราะว่าทุกอายามีความประเสริฐมีความงดงามมีความสวยงามแต่ว่าลุงท่านนี้ที่มาก็คืออายุก็เยอะเอลาละไม่ได้บังคับใครเกิความสามารถเขาก็บอกว่าอยากได้อะไรที่มาจะานเป็นประจําซึ่งท่านนบีก็ให้บทที่ว่าเลือกสั้นแล้วท่านนบีไม่ได้บอกบากาักรอถ้าบาัการอนี่เกือบสามยุศเยอะเลยท่านนบีก็เลือกสั้นสั้นแล้วแต่พอลุงบอกว่าไม่ไหวปุ๊บแทนที่ท่านนบีจะโกรธบอกอะไรนะนบีบอกแล้วยังมาขอต่อรองท่านนบีก็กลับก็เลือกให้มันสั้นกองกองกองกองกอง ผลสุดท้ายมาถึงตระกูลดัสเบียทั้งหลายเนี่ยสั้นแล้วอย่างซับบิสรบเกนอาลานี่คือหน้าหนึ่งถูกไหมครับประมาณหน้าหนึ่งคือมันก็ไม่ได้ยาวอะไรแต่คนไม่ไหวก็คือไม่ไหวอะครับคนไม่ไหวก็คือไม่ไหวอัลลอฮ์ไม่บังคับใครเกินความสามารถอันนี้คือจากข้อพิสูดนี้แสดงให้เห็นถึงความหมายของกุรานที่อัลลอฮ์บอกเวลาอยู่กะลิฟุลลอฮูนับซันอิลลาหุสฮาอัลลอฮ์ไม่บังคับใครเกินความสามารถของเขา หนูคนนี้บอกไม่ไหวจริงๆท่านอบับดุลลาห์สุลต่านก็เลือกบทที่คิดว่าสั้นที่สุดแต่ท่านไม่ได้เลือกอิกคลาสให้ทั้งๆที่เป็นหนึ่งในสามของกรุรานท่านเลือกอิดาซุนให้ซึ่งนักวิชาการบางท่านครับชาวบาบังท่านว่าขอแค่ในกุรานเนี่ยท่านได้ฟังแค่สองวรรคนี้ท่านก็พอแล้ววะมัยยะมัลมิสก์ก็ละตินขายไรยะละวะมายยะมัลมิสก์ก็ละตินฉัลไรยะ แบบมายาไหมมีตัวเลือกเราคุยรายละเอียดคือเดียวคหมาเราคคกันแต่ก็คือเซอร์บางท่านเขาบอกว่าขอแค่สองอายานเนี่ยมันก็พอเพียงแล้วสำหรับผู้ศรัทธาที่อหม่านของเขาเนี่ยจะมั่นคงเพราะว่าเซอร์ บ, บ้าอย่างท่านอะบูบักพอได้ยินสุร้อนนี้ประทานมาปุ๊บท่านร้องไห้เลยด้วยความกลัวเซอร์บ้าหลายๆท่านพอได้ยินสุร้อนนี้ปุ๊บร้องไห้ด้วยความกลัวไม่ใช่กลัวสามศีรษะแรกกลัววักสุดท้ายวักเดียวเลยครับ ก็เรียลละอันหุมของพรเมตตาพวก่านเหล่านั้นครับผมแล้วมาดูใน hadis ที่ว่าในยานในประเทศ อ, อิหมามติมีดีที่พูดเกี่ยวกับสุร้อนี้มี hadis อยู่สามบทซึ่งอิหมามติมีดีท่านรายงานคนเดียวเลยไม่มีนักวิชาการ hadis ที่อื่นรายงาน hadis ในความหมายนี้อีกเลยซึ่งนักวิชาการก็พูดคุยกัน บ, บางท่านก็บอกว่าดียร์บางท่านก็บอกว่าฮัสันท่านได้พูดถึงอะไรบ้างครับเดี๋ยวพูดกันทีละบททีละบทครับผม บทแรกครับใช่อิหมั่ติรมีดีได้พูดเอาไว้ครับจากท่านอาเสก็แล้วก็ล رسول ุสุลลาะุลลาะอิสลัมันก็รอิดะจุนซิลติลอะดุจินซาละฮอุดีรลละหูบิณซินคุรานซุมะก็ล้ฮาดะฮุนกรีฟละน่าอิลล่ามินฮอัลสซันบินสลามนนบันทึกของอิหมั่มติรมีดีรายงานจากสาบาท่านอาเสท่านได้บอกว่าท่านบีมัสลลอยสลมบอกว่าใครก็ตามที่อ่านอิดซิลติลอดุินซาละฮ เขาจะได้ผลบุญเทียบเท่าเขาอ่านกุรานครึ่งหนึ่งครับในรสายรายงานนี้มีเฉพาะในบทที่คอยหมัิ้มีดีนะครับบอกว่าได้ผลและบุญเทียบเท่าอ่านกุรานครึ่งเล่มเลยอิดาซึ่นบท น, บทนี้บทเดียวซึ่งไฮดีสบทนี้ก็ว่าเบาอาลัมครับผมแต่ก็คือเรื่องของความประเสริฐแล้วก็พูดคุยกันได้เพราะไม่ใช่แปรที่เกี่ยวกับการศรัทธาหรือว่าเรื่องอะคีร้ายเรื่องอะไรต่อไปไฮดีสบทที่สองครับ ไม่ได้พูดถึงความประเสริฐครึ่งหนึ่งแต่พูดถึงความประเสริฐที่เราพูดคุยกันมาก่อนหน้า น, นี้มานานแล้วจําได้ไหมครับที่เราพูดคุยกันตอนที่เราพูดคุยในส่วนของอสุนทรีคลาสกับสุนรอืน่นเราพูดว่าอิาจาซึนซีละเนี่ยเทียบเท่าหนึ่งในสี่ของกุระานหนึ่งในสี่ของกุระานอาท่านใดมีอะไรจยากสงสัยอยากถามไหมครับทําไมบทหนึง่งบอกว่าครึ่งหนึ่งอีกบทนบกหนึ่งบทหนึ่งส่วนสี่ตกลงมันยังไง สรุปก็คืออัลกุรอานครับทุกอย่างทั้งหมดในอัลกุรอานคือความประเสริฐความงดงามการอ่านนั้นถ้าได้ประโยชน์ได้สาระจากกุรอานดีหมดดีหมดอขอหยิบพูดคุยถึงประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งเราจะพบว่าบางครั้งจะมีการแพร่หลายในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนะครับจะมีการอ่านว่าสมมติว่าใครที่ไม่อยากยากจนนะให้อ่านสุราวากยียะอายะเท่านี้ถึงอยายะเท่านี้หรืออ่านสุราวะกียะทุกๆช่วงตอนละมาศหรือว่าอ่านเจ็ดรอบ หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการรักษาครับอย่างถ้าใครเป็นโรคนิ้วให้อ่านอาย่านี้อ่ใครเป็นโรคมะเร็งให้อ่านอาย่านี้ขออธิบายให้ชัดเจนก่อนว่าในเรื่องของอินมุลเลฟเรื่องความเล็งลึกลับเนี่ยไม่มีใครลื่งรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮ์และเราสูลบอกเท่านั้นถ้าถ้าเราสูลบอกว่าอ่านบทนี้แล้วอันนี้จะหายเราเชื่อตามนั้น เช่นท่านอบีบอกว่าอ่านกุญสามกุญป้องกันการลุกรานการมาบุกลุกของเชตตอนการคุกคามของเชตตอนหรือว่าเศศาสตร์แล้วก็เชื่อตามนั้นแต่นอกเหนือจากนั้นถ้าท่านอบีมสัสลิมไม่ได้พูดเราจะไม่เชื่อว่าซูรา่าไหนด้วยกับตัวนั้นตัวของซูรา่านั้นโดยเฉพาะที่ว่าจะให้คุณให้โทษในด้านในด้านหนึ่งเป็นพิเศษเรื่องอิมมุนเคฟแต่ว่าแต่ว่าอัลกุรอานทั้งหมด ทุกอายะห์ในคัมภีร์อัลกุรอานเราสามารถใช้เป็นสื่อในการขอความเมตตาจากอละวอได้หมายความว่าไงครับสมมุติว่าผมไม่สบายสมมุติผมไม่สบายผมอยากให้ละวอมีตาผมก็อาจจะอ่านสุรอก็ได้ในกุรอานสมมติผมชอบอัลลอฮ์มานผมอ่านอัลลอฮ์มานอ่านอ่านอ่านอ่านแล้วก็ขอโอยจากละวอว่าโอวละปวดให้ผมหายด้วยก็คืออ่านกุรอานก่อนแล้วก็อาจจะเป่าตรงนั้นแล้วก็ขอให้ละวอหายอันนี้ถือว่าไม่เป็นไรทําได้แต่เราต้องรู้ว่า พวกเราเนี่ยศูนย์ไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องอ่านตรงนั้นคือจะอ่านตรงไหนก็อ่านไปอยากอ่านตรงไหนก็อ่านเหมือนกับที่ซอบ้าทําใช่ไหมครับตอนที่ว่าท่านเดินทางไปต่างเผ่าแล้วเจอเผ่าที่ว่าไม่ยอมเลี้ยงดูท่านเลยท่านก็เลยเมื่อคนเดินทางไม่มีอาหารไม่มีสเสบียงไม่มีใครเลี้ยงดูก็ต้องอยู่แบบหิวหิวผลสุดท้ายก็มีคนมาหาซอบ้ากลุ่มนั้นแล้วก็บอกว่ามีใครในหมู่พวกท่านที่สามารถรักษายาพิษได้บ้างหัวหน้าเผ่าเราเดินพิษ ซึ่งในฮะดิษไม่ได้ระบุว่าโดนพิษอะไรพิษงูหรือพิษแมงปอ่องแต่ก็คือโดนพิษนั่นแหละซอบาก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าตอนที่เรามาขอให้ท่านช่วยเหลือท่านไม่ยอมช่วยเพราะงั้นถ้าท่านจะให้เราช่วยเนี่ยเราขอแลกกับแพะหนึ่งตัวเราจะขอดูอาสาวร้อยท่านหายแลกกับแพะหนึ่งตัวถึงเวลาครับซอบาก็อ่านฟาตีฮะเจ็ดจบแล้วก็เป่าให้กับหัวหน้าเผ่าที่โดนพิษ พอเร้อนก็ให้หายพอถึงเวลาปุ๊บซอบะก็ไม่ไม่สบายใจว่าเอาคุรานมาแรกกับแพ้เนี่ยมันใช้ได้ไหม<ส>ก็เลยไม่กล้ากินเกาเก็บแพ้นี้ไว้เนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บก็กลับเข้ามาในมดีนะก็รีบมาหาท่านอาบีแล้วก็ถามยศรุลงว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราให้ฟังทั้งหมดตกลงแพ้นี่ผมกินได้ไหมท่านอบีวัสซุ น, นบอกว่าไงครับเอามาแบ่งให้ฉันด้วย ฟังดูก็รู้สึกแบบก็ <c oughs> ครับผมท่านอียอสซาซัมก็มีอารมณ์ขันก็มีอารมณ์ขันอลไรของท่านก็คือเป็นการยืนยันว่ากินได้กินไม่ได้ครับอาจกินได้กินได้ที่เราได้จากเรื่องเล่านี้ประวัตินี้ก็คือว่าทําให้เรารู้ว่าคุณอ่านจะตรงไหนก็ตามถ้าอา่านปุ๊บเป็นการขอบรารัก้าจากรลอให้เกิดสิ่งที่ดีงามขอได้หมดเพียงแต่การที่จะมาระบุเพราะที่ชอบแชร์กันจะชอบระบุต้อง่านสาวสิบสามครั้ง บางทีต้อ่านเจ็สิบ็ดครั้งบางทีต้อ่านร้อยครั้งทั้งหมดไม่มีที่มาไม่มีที่มาแต่ก็คือถ้าใครอยากอ่านบทไหนเพื่อให้หายก็แล้วแต่ครับอย่างเช่นมาใช่ครับมันมีแชร์กันนะครับบอกว่าอ่านบทนี้รักษามะเร็งอ่านบทนี้รักษาโรคนิวผมป้านังสือไปเล่มเลยรวบรวมมดเลยถ้าเป็นโรคนี้อ่านโรคกระเพาะอ่านบทนี้บางอ่านความหมายมาเกี่ยวข้องเลย ผมกังวว่าเอ๊ะแล้วเพื่ไปฮุ้งมาจากไหนเพราะมันเป็นเรื่องอิมมุลเกฟเรื่องเล่นลับนะครับผมก็เลยบอกว่าเรื่องเล่นลับเนี่ยครัจะเชื่อเฉพาะที่มีสายรายงานซองเงี้เท่านั้นเพราะถ้ามีจานแต้ก็แทบจะไม่มีซิมคอนเนตเป็นมะเร็งนะครับผมว่าถ้ามีบทที่ว่าท่านอ บ, บีรับรอะหลงไว้ว่าใครอ่านบทนี้จะไม่เป็นมะเร็งนี่อัลฮัมบูรีละคงจะอ่านกันเยอะแยะนะครับอ่านกันเช้าเย็ยนนะครับา อ, า, อ, า, อาชีพหมออาจจะตกงานก็คราวเนี่ยนะ อ๋อทำอะไรทำดีกว่าครับจะสรุปก็คือว่ามุสลิมเราเราเชื่อในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรักใครชอบสุรอ้อนไหนอ่านเป็นประจำดีแล้วอย่างบางคนอาจจะบอกว่าสุราวากีอาเนี่ยฉันอ่านทุกคืนเป็นประจำเลยฉันอ่านเพราะฉันรักไม่มีปัญหาอ่านไปเลยรักษาไว้ดีที่สุดเหมือนกับที่ว่ามีซอฟบา้บางท่านนะครับตอนละหมาด ต, ตอนนำอิหมามเป็นอิหมานนำมานะครับนำละหมาตอ่านสุระอนอะไรก็ตามท่านต้องอ่านกุญหวัวหล่อฮะจะสุร้อนอะไรก็ต้องมีกุญหัวหล่อสุร้อนอะไรก็มีกุญหัวหล่อก็มี คนไปบอกท่านนบีท่านนบีก็ถามว่าทํำไมทําแบบนี้เขาก็บอกว่าผมรักสุลตานี้กับซอบะอีกหลายท่านที่อ่านกุนนูฮุลลอเบบ่อยๆท่านนบีก็บอกว่าเจ้าของสุลตานี้ก็รักคุณเพราะฉะนั้นกุลานดีหมดครับดีหมดถ้าใครเป็นโรคใครเป็นอะไรบางที่อาจจะดูความหมายที่ใกล้เคียงอย่างเช่นบางคนพูดจาติดติดขัดขา ด, ขดคือไม่มีความกล้าในตัวเองก็ดูซึ่งในกุลานตรงไหนที่ใกล้เคียงที่สุด ตรงไหนใกล้เคียงที่สุดครับตอนท่านนบีมูซาจะไปหาฟาโรอ่ครับรั บ, บิชราฮีเซดีบุยเซบลีอัมรีวาลุลอุกตามิ ล, ลิซานิยอบกูกาลีอ่านแค่นี้พ อ, อย่า่านต่อพอที่ต่อจากนั้นเป็นดัที่ว่าขอให้นบีมูซาเป็นราศูนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราแต่ก็คือในกุฎอ่านดูความหมายที่ตรงกับเรื่องที่เราต้องการนะครับความหมายที่ตรงกับเรื่องที่เราต้องการแล้วก็ขอแล้วก็หวังว่าเราจะให้เราหายหรือให้ได้สิ่งที่เราต้องการครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เป็นสิ่งที่ทําได้ครับผมงั้นชัดเจนนะครับคือความประเสริฐของกุรานเป็นรายสุลฮ์เนี่ยมีทั้งที่ซอเฮะกับมีทั้งที่เด อ, อีฟที่ซอเฮะเราเชื่อตามนั้นส่วนที่ด อ, อีฟแล้วก็วัลลอฮาลำเราจะไม่เชื่อเด็ดขาดว่ามันต้องเป็นตามนั้นเหมือนกับสุลตินซานใช่ไหมปฏิเสธบทหนึ่งบอกว่าครึ่งหนึ่งของกุรานอีกบทหนึ่งบอกว่าหนึ่งในสี่ประเด็นสรุปสําหรับเราก็คือว่าเมื่อเป็นสิ่งที่เอาล้อ พูดมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วถ้าเราอ่านได้สาระมันเป็นสิ่งที่ดีครับออีกบทหนึ่งจะให้ผมแปลได้ไหมครับในบทที่ไฟมาตินมีดีเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นฮาริที่ว่าสถานะก็อยู่ในขั้นดอยิบที่พูดเกี่ยวกับอีดาซินซิดาตินต่งเป็นประเด็นและกันเพราะมันมีสาระที่เราจะได้แทรกมาครับมีครั้งนึงครับที่ว่าท่านอับดอลลอฮมเนยจอชายหนุ่มคนนึงแล้วท่านอบีก็ถามว่าคุณแต่งงานหรือยังเจอผู้ชายคนนึงแล้วก็ถามแต่งงานหรือยัง ผู้ชายคนนั้นบอกว่าไงครับยังไม่ได้แต่งครับ ย, ยาละสุรวะผมไม่มีอะไรจะไปขอผู้หญิงมันก็เหมือนกับยุคทุกยุคทุกสมัยนะครับก็คือมันก็ต้องมีฐานะก็ต้องมีเงินมีอะไรบ้างเพราะบางทีพ่อแม่ของผู้หญิงก็อยากได้ความมั่นใจว่าลูกฉันไปจะรอดไหมอะไรประมาณเนี้ยซาบิยะซาบ้าท่านี้ก็บอกว่าผมผมไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยไปขอผู้หญิงท่านอบียร์สซาลามบอกว่าไงครับเธอท่องกุญฮวนหวลอดได้ไหมเขาบอกว่าผมต้องได้ หนึ่งในสามเนาะท่านอบีบอกมันเป็นหนึ่งในสามของกุรานทีนี้ท่านอบีบอกว่าไงครับแล้วเธอท่องอิดะจาอันัสลละบฟัตได้ไหมอีดะจาเราพูดไปแล้วว่าหนึ่งในสี่กุรานโซะบอกว่าผมท่องได้ครับนบีก็บอกนั่นแหละคือหนึ่งในสี่แล้วเธอท่องกุลยาอยุพาลกาฟีดูนได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ก็หนึ่งในสี่กุลยาอยุพาลกาฟิรูนนี่คืออดิศร์นี้หนึ่งในสี่ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นก็ไงครับแล้วเธอท่องอีดาซุนซีดาได้ไหม อันนั้นก็หนึ่งในสี่รวมกันแล้วครบเล่มหรือยังครับหนึ่งในสามแล้วก็หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่สามอันรวมกันเกินเกินนิดหนึ่งท่านอบีก็บอกเธอก็ได้กุญาจทั้งเล่มแล้วนี่ไปแต่งงานซะก็คือไปหาเพราะว่าอผู้หญิงมีหลายประเภทใช่ไหมผู้หญิงมีหลายคนก็คือบางคนบางท่านก็คืออยากได้ความมัน่นคงในชีวิตบางท่านก็คือพอจะมีฐานะและ้วอยากได้คนที่มาเป็นผู้นําจริงๆที่ว่าจะนําให้รอดท่านอบีก็ถือว่า ให้เขาไปหาภรรยาที่ว่าสามารถพร้อมจะกัดก้อนเกลือกับเขาได้คือภรรยาที่ว่าเลือกด้าน إيمان นาอย่างเดียวเลยก็ไปหาซะเพราะถือว่าเขาได้กุญานทางเล่มแล้วท่านอบดบีก็ให้เขาไปแต่งงานประเด็นที่อยากจะพูดคุยจากคดีสดนี้ก็คือว่ามาฮัตหรือว่าสินสอดเนี่ยครับแปลว่าสินสอดมันก็ไม่ค่อยถูกนะครับผมใช้ทัศนว่ามาฮัดเลยละกันมาฮัดคือทรัพย์สินที่สามีมอบให้กับว่าที่ภรรยา เป็นของกำนันก็คือเออเช่นเขาว่าสินสอดมันจะเหมือนกับเป็นค่าน้ำนมจะเป็นอะไรจะเกี่ยวกับพ่อแม่ด้วยแต่คือถ้ามาฮัทนี่คือผู้ชายให้ผู้หญิงมาฮัทเนี่ยครับสามารถให้ได้ในหลายรูปแบบโดยคุณสลาหมกรตระมัดรักษาตู้ครับรูปแบบของทรัพย์สินก็ได้ซึ่งท่านนบีมัสเรตซ์ลำไม่ได้ระบุจำนวนเอาไว้ไม่ได้ระบุจำนวนเอาไว้แต่ว่าปกติแล้วที่ท่านนบีจ่ายเป็นมาฮัท ส, ส่วนใหญ่ถ้าตีเป็นมูลค่าเงินไทยจะไม่เกินแสน จะไม่เกินแสนลูกสาวกับภรรยาทุกท่านที่แต่งงานเสนใ จ, จะไม่เกินแสนเหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทรัพย์สินเป็นความรู้ก็ได้ก็คือถ้าเกิดชั้นขอแต่งงานกับเธอโดยเอาความรู้ที่ฉันมีแล้วสอนเธอไปตลอดชีวิตก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินสอดได้แต่ทั้งนี้และทางนั้นต้องอยู่ที่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายคือถ้าผู้ชายพอใจผู้หญิงพอใจก็จบและข้าหนบีบอกว่าผู้หญิงที่ดีที่สุดคือผู้หญิงที่สร้างภาระน้อยที่สุด ก็ครอถ้าเกิดเราดูปุสมมติดูฝ่ายผู้ชายออมหาเศรษฐีอยู่แล้วทางบ้านอยากขอเรียกเพื่อความมั่นใจจะขอเรียกหนึ่งล้านสมมุติสมมตุติถ้าฝ่ายผู้ชายเต็มใจแล้วมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ผิดอะไรถ้าไม่สร้างความยากลําบากอะไรก็ถือว่ามีปัญหาแต่งานแต่งานที่แย่ที่สุดคืองานแต่งงานที่ไม่เชิญคนจนอันนี้ท่านบีบอกไว้งานแต่งงานที่แย่ที่สุดคืองานแต่งงานที่เชิญแต่คนรวย เพราะใเรื่องของสินสอดครับท่านอบีพูดไว้แต่เพียงว่าผู้หญิงที่ดีที่สุดคือผู้หญิงที่สร้างภาระน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตัวบทเปิดของกว้างจะกว้างคือในสมัยท่านอุมัตเนี่ยครับท่านอุมัตคงจะเหลืออดผู้หญิงอซาฮบิยาบางท่านพอยุคนั้นนี่คืออย่างที่เรารู้จนถึงยุคนี้ไม่แตกต่างกันสินสอดผู้หญิงเรียกแรงมากแพงมากจนถึงปัจจุบันนะครับคือผู้ชายจะได้แต่งงานก็ต้องรอแก่ก่อนอะต้องรอเก็บตังค์กัน เราพอผู้ชายแก่ปุ๊บไม่แต่งกับผุณแก่หรอกก็แต่งกับสาวๆก็เลยเป็นหนึ่งในปัญหาของทางประเทศซาอุดิอาระเบียส่วนหนึ่งท่านอุมัตรครั้งหนึ่งที่ว่าท่านท่านค่อนข้างจะอาจจะหมั่นไส้หรือว่าไงแล้วท่านจะบังคับบรรดาสหบียว่าห้ามเรียกสินสอดเกินเท่านี้เกินเท่านี้น ท, นท่านเคยจะกําหนดแต่ก็โดนสหบียว่าขนาดละบียังไม่ห้ามเราแล้วทําไมท่านจะห้ามพอยกละบีมาปุ๊บท่านอุมัตก็ยอมก็เลยไม่ได้บังคับเรื่องสินสอด ก็คือ น, นี้ก็บอกเป็นประเด็นเรื่องสินสอดที่ใช่นะครับแล้วก็มันไม่เกี่ยวนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรียกสินสอดยิ่งถูกยิ่งดีไม่เกี่ยวอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งถูกยิ่งดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับอะไรคืออย่างบางครอบครัวผู้ชายรวยมากๆอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็บอกผู้หญิงที่ดีต้องเรียกสินสอดน้อยให้ไปยี่สิบห้าบาทโอเคครับผม ฮะดิซีสันนบีบอกว่าจงไปหาสินสอดขอโทษจงไปหามาฮับขอโทษผม ป, ปแปลี่ยนสินสอดมีครั้งหนึ่งที่ว่าซบาบะแต่งงานกับมีซบาบะท่านหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เขาไม่มีอะไรให้เลยสันนบีมาสอนบอกว่าจงไปหามาต่อให้จะเป็นแค่แหวนเหล็กซักวงก็ตามคืออย่างน้อยต้องมีอะไรให้ผู้หญิงจากคดีส่วนนี้คือขั้นต่ําในฮะดิซที่เจอที่สันนบีพูดถึงสินสอดคือแหวนเหล็กเขาก็เลยคํานวณว่าแหวนเหล็กมูลค่ามันเท่าไหร่ ก็สมัยนี้เขาก็ตีว่าน่าจะราคาไม่เกินยี่สิบห้าบาทเขาก็เลยว่าตัวเลขยี่สิบห้ามันก็เลยมาจากสินสอดขั้นต่ําสุดที่น บ, บีพูดไว้แต่ท่านน บ, บีไม่ได้พูดว่ามันดีที่สุดอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องแต่งงานเรื่องสินสอดมันเป็นเรื่องที่ตกลงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่าอย่าอย่าสร้างภาระ ก, กับผู้ชายมากเกินไปเพราะว่าอย่างบางครั้งครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงบางทีอาจจะเหมือนสมัยนี้่ครับแคร์หน้าสังคมมากเกินไป แล้วพอดูปุ๊บผู้ชายคนนี้มันให้สื่อสอดเยอะไม่ได้แต่งไปเดี๋ยวเสียชื่อเสียงให้มันอยู่กันแบบซีนาดีกว่ามีนะครับมีคร<ม>อบครัวมุสลิมผมเจอลูกสาวคบกับผู้ชายทำซีนากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่กันพ่อแม่ของผู้หญิงไม่ว่าอะไรอยู่กันก็อยู่กันไปแต่ห้ามแต่งงานกันแปลกนะครับ หรือถือว่าถ้าเกิดแต่งงานคือผู้ใจแบบหมอมีเกียรตปอหรือว่าหมารวยปอหรือว่าอย่างผมก็มองว่าคือเอ่อเกิดเกี่ยวกับหน้าทางสังคมอย่างประมาณนี่ครับครับผมเอ่อผมเอ่อค่อยเปิดประเด็นนี้นะครับผมมาใอค่เปิดประเด็นนี้เพราะว่าไอ้เรื่องความช่วยเหลือหรือไปสิ่งที่ดีก็คือบางทีแม่ ฝ่เมื่อยิงอาจจะช่วยเอว่าที่เจ้าบ่าวเองก็ได้มันก็นมีบางเคสที่แบบว่าใครให้แต่งงานแตะ๊ตะแม่เจ้าสาวก็เลยให้ตังว่าเอาตังเงินมาแต่งงานกับลูกสาวใช่ซหมแตว่าได้ก็ออมาผิดมาผิดเพียงแต่ว่าถึงขั้นส ก, กา้กาเรสสก้าที่พวกเราล ก, กําหนดไว้คือคนที่ได้มีสิทธิ์มีแปดจำพวกนะครับมามีในเรื่องอ่มันจะมีในเรื่องของคนยากจนครับถ้าเราพอว่าเขาเป็นคนยากจนเื้อเขาได้ก่อ็ได้ ครับถือว่าถ้าเกิดเข้าค่ายในยากจนน่ยถือว่าใดเมื่อตรงนั้นใดครับผมเพียงแต่ว่าที่ผมเป็นห่วงก็คือห่วงประเด็นที่ว่าการตั้งปองมมัาฮัดแปลงๆเพื่อมาฮือผู้ใจามาขอเพื่อหมูใจามาขอเพราะมันมีบางตีทถ้าสมัยก่อนขั้นต่ำสิบสิบไหมครับเงินแสนแล้วก็ทองสิบาทเขาเรียกว่าสิบสิบทางกรุงเทพหมายถึงบางเตื้อเหมือนกับ มามีเหตุผลที่จะปฏิเสธก็เลยตั้งองแปลงเออถ้าให้มาขอเอาตังมาให้ร้านหนึ่งแก่ประมาณเนี้ยอะไรนะปฏิเสธตรงตรงไม่ได้คือบางทีมันดูเป็นสาระที่แบบว่าบอกให้ปฏิเสธตรงตงประมาณนี้ครับก็เลยหาเหตุผลให้ปฏิเสธอ่ารู้นะรู้เพียงแต่ว่าอันนี้จากที่ผมได้ยินบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่เขาพูดกันหลายคนพูดมานะครับเออแล้วก็มีบางคนอ้างว่า เป็น hadis ของนบีผมไม่รู้ผมยังไม่เจอตัวบทแต่ที่เขาพูดกันมาก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่เพียบพร้อมคือศาสนาพร้อมทุกอย่างดีพร้อมเราไม่มีเหตุผลปฏิเสธเขามาขอลูกสาวเราแล้วเราปฏิเสธเพราะเราจะให้ลูกสาวเราเจอคนที่แย่กว่านั้น อ, อผมดูหลายๆเคสมันเป็นแบบนั้นจริงจริง มาเปลี่ยนอะไรจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธแต่ก็คือดูปุ๊บ อ, อสญญัสนาก็ดีฐานะก็พอจะใช้ได้ทุกอย่างดีหมดแต่ฉันแค่ไม่อยากให้แต่งที่เฉยๆประมาณเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะได้แยกกว่านั้นความความความชอบพอเป็นเงื่อนไขครับเออแตหมายถึง ว, ว่าบางทีมึหยิงกัช บ, บกชอบไงครับเงื่อนไข ค, ครบแล้วมึหยิงกัโอเคก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรอย่างครับตัวเนี้ยอันนี้ก็คือถ้าปฏิเสธไปส่วนใหญ่จะได้แยกกว่านั้น นนที่ดูนะครับผมพอมาหลายคู่ส่วนใหญ่จะพอแต่งงานปุ๊บคู่ครองที่เขาได้ในภายหลังจะแย่กว่าคู่ครองคนนั้นที่เขาปฏิเสธไปไครับครับ่ครับ ค, <น>ค<น>าารบคบับครับครับครครันนบ่รครับครับครรบครครบครครับครับค่ับคครับคับครับครรบครครับครับครับครรบครครบครบคัรบคบบ ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้บอกเป็นวายยิบต้งว่าห้ามเกินนบีครับผมจะหมายถึงถ้าเกินไข่คดีที่สุดกับประมาณนี้แหละคือถ้ถเกิดคํานวณจากสินสอดีเป็นค่าเงินไทยในปัจจุบันก็คือหมากเงินแสนที่ต้องในดีใจ ค, ครับผมประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโอเคครับไปไก่กินไปละขอโทษครับ ย, ยังไม่ได้แปลยังไม่ได้แปลกุลานนะครับเราเรากําลังจะแต่งงานกัน โอเคครับเรามาดูความหมายอิดะซุนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายมันเนียงวิเคราะห์ทีละอายะอายะอายะกันครับผมอายะที่หนึ่งนะครับ z z il il อิดะซุนซิลติลอารดูซินเจล่ฮะพระองคลอสซาบาดะได้ทรงพูดไว้เกี่ยวกับสภาพอันน่าสะพึงกลัวของวันกิยามะซึ่งนักวิชาการส่วนน้อยบอกว่าอายะนี้พูดถึงวันสิ้นโลกไม่ได้พูดถึงโลกหน้าพูดถึงวันสิ้นโลกแต่ก็นักวิชาการเป็นจํานวนมากบอกว่าสูเรานี้ทั้งหมดเลยพูดถึง วันแห่งการพื้นคืนชีพซึ่งผมก็จะขอแปลตามชื่อวันที่ราการสนใหญ่แปลก็คือแปลว่าเป็นวันแห่งการพื้นคืนชีพไม่ใช่วันสิ้นโลกอยากจะได้อยู่นะครับวันสิ้นโลกกับโลกหน้าคนละวันกันเนาะอย่างที่บอกไว้เมื่อซุนซิลาเกิดการถูกถูกทําให้เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงซุนซีลาถูกทําให้สั่นไหวอย่างรุนแรงอีดาซุนซิล่อัลอาดูอิดซุนซีล่ติลอาดูเมื่อแผ่นดิน ถูกทำให้สัน่นไหวซึนซาละฮาอย่างรุนแรงอย่างหนักหน่วงเป็นการเน้นซึนซาและฮาเน้นตัวคำว่าซึ่ซิละเมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นไหวอย่างรุนแรงว่อัคราติติลอรัรดูอัสกอลและฮาและเมื่อแผ่นดินนั้นได้เอาสิ่งที่หนักอึ้งในตัวของมันนั้นออกมาซึ่งซาและฮาว่าอัคราติติลอรัรดูอัสกอละฮา ว่าภาพตานนะครับแผ่นดินเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงในโลกหน่ดังนั้นแผ่นดินได้เอาสิ่งที่อยู่หนักหๆที่อยู่ในนั้นออกมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆแปลว่าน่าจะแปลว่าอะไรหัวก้อนอินทรีย์นูมาแล้วฮะผู้คนก็จะพูดว่านี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันคือไม่ใช่เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบแต่เป็นการพูดเชิงอุทานอะไรกันเนี่ยคือเหมือนกับเวลาเราเห็นเหตุการณ์ที่มันน่าสะพรึงกลัวที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น เราอุทานแต่เราไม่ได้ต้องการคำตอบใช่ไหมครับคือถ้ามีใครมาตอบนี่เราคงว่าตอบทำไมนะว่าอัครสิทธิ์อัลลอฮฺละฮ์นะฮะวะกอดินซาลูม่าละเยาว์ไม่ดินตุวฮัดครับเยาว์ไม่ดินตุฮัที่สุอัคบารฮัในวันนั้นครับแผ่นดินเนี่ยจะพูดจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดบีอันนารอบบากะอัลฮะละฮะเพราะผู้ยุบาลของมันนั้นได้สั่งใช้มันให้มันได้เล่าเรื่องให้มันได้พูดออกมา เยวไมริยัสรุณาสอัจเตอร์ลิวเราอามาแล้วหุมในวันนั้นนะครับผู้คนจะกระจายกันไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อไปดูผลงานของพวกเขาเฟอร์มายะมัลมิสโกและดอรรา์ตินคอยรอยะรอว่ามายะมัลมิสกและดอร์ตินเฉรอยะหรอใครก็ตามที่ทําความดีเทียบเท่ากับลูกพึ่งตัวเล็กๆอ่ะจะรอถ้าจะแปลแปลว่าลูกพึ่งตัวเล็กๆถ้าแปลง่ายๆเขาเมื่อกี้แปลว่าอนูปรามานูอะไรประมาณนั้บอนูเล็กๆใครก็ตามที่ทํา ความดีเพียงเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเขาจะได้เห็นมันและใครก็ตามที่ทำความชั่วร้ายเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเขาก็จะได้เห็นมันครับมีประเด็นที่ว่าอยากจะชวนคุยกันค่อนข้างจะมากในส่วนนี้ขอเริ่มจากทีลอายากก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าประเด็นไหนที่ผมตกค้างไว้เดี๋ยวผมค่อยตามมาเก็บอินเราบะครับฟัรลได้พูดถึงหลังจากที่ว่าทุกอย่างดับสูญ หลังจากที่ทุอยอานแบบสุนก็เกิดวันสิ้นโลกเรียบร้อยหมดแล้วพวกเราจะให้ผืนแผ่นดินเนี่ยคายสรรพสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมันออกมาอะไรบ้างที่จะออกมาครับถ้ารวมจากทรัพย์ทั้งหมดก็จะมีมนุษย์แล้วก็ยินก็คือใครก็ตามที่ถูกฝังในนั้นเนี่ยก็จะถูกคายออกมาพร้อมกับบรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็จะถูกคายออกมาด้วยพวกเงินพวกทองพวกอะไรก็ตามจะคายออกมาหมดเลย วอ่อัคราจิติอับดุอัสกอและฮะทําไม่ถึงคายออกมาครับคายออกมาเพื่อที่ผืนแผ่นดินเนี่ยจะได้เป็นสักขีพยานจะบอกให้มนุษย์รู้ก่อนเลยในเบื้องต้นยังไม่มีการสอบสวนยังไม่มีอะไรแต่ว่าโลกเนี่ยพอมันคายทุกสิ่งทุกอย่างออกมามันก็จะเริ่มคุยเลยว่าเนี่ยในวันนั้นเจ้าเคยไปฆ่าคนคนนี้ พอเจ้าอยากจะได้ทองก้อนนี้คือมันออกมาให้หมดเลยเพราะว่าของทั้งหมดมันก็วนอยู่ในตัวมันนั่นแหละวันนั้นเจ้าทําการพ้นสรุมคนนี้เพราะเจ้าต้องการสิ่งนี้ทุกอย่างก็จะออกมาแล้วก็จะมีการพูดว่าเอาไปสิอยากได้ไม่ใช่เหรอถามว่าจะมีใครเอาไหมครับมันไม่มีใครอยากได้แล้วแต่โลกเนี่ยมันอยากได้มากอยากได้ถึงขั้นว่าฆ่ากันได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ ผืนแผ่นดินเป็นศัก์ขีพยานมันจะบอกให้คนทุกคนได้รู้หมดเลยว่าคนแต่และคนทําอะไรบ้างตอนอยู่กับมันอันนี้เป็นเรื่องอินลเมนเทฟเพราะเกิดเราคิดถึงความเป็นไปนได้ของโลกจุลยานในปัจจุบันมันจะทําได้ยังไงคนมีเป็นพันล้านแล้วมันจะบอกทีละคนแล้วมันจะบอกทุกอย่างมันจะบอกอะไรยังไงว่าเราอาลลัมสําหรับมุสลิมเราเราเชื่อมั่นว่าพระองค์นั้นมีความสามารถที่จะทําได้ในรูปแบบที่โปร่งทรงประสงค์แล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอนอะไรก็ตามที่เราทําไว้จะต้องถูก นำมาตีแผ่ให้คนทุกคนได้รับรู้ไว้ซึ่งครับในบันทึกข้อยมามบุคอารีครับท่านบัวดาลลอะไ์มัสลลัมได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของหมาเดี๋ยวจะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรท่านบีบอกว่าหมาเนี่ยจะมีผลสามอย่างให้กับคนหนึ่งคนถ้าเราเทียบกับยุคนี้ก็คือพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถจักรยานท่านอบีุเาัช็กคำว่ามา้มาม้า จะส่งผลกับคนอยู่สามรูปแบบด้ยวยกันให้ประโยชน์กับคนเป็นสิ่งที่พอเพียงสําหรับคนหรือเป็นสิ่งที่จะให้ผลเสียกับคนมามีสามอย่างให้ประโยชน์กับคนพอเพียงกับคนหรือว่าให้โทษกับคนผมสรุปฮะดิษเลยนะครับผมไม่ได้แปลฮะดิษแบบ เ ป, เ, ปเป็นคาร์เปคํานะครับพรรษนี้อยู่ในเบนท์ยมาบุคยิมการมัสมุสลิมนะครับผมหลังจากที่ท่านอบีพูดปุ๊บก็มีคนถามว่ามันเป็นยังไงเนี่ยท่านอบีก็บอกว่าในกรณีอย่างที่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาซื้อม้ามาเขามีม้าแล้วเขาใช้ม้าเนี่ยเพื่อให้เอาล้อพอใจเป้าหมายของเขาที่เขามีม้าตัวนี้เพื่อทําให้ล้อพอใจอาจจะเพื่อเป็นการต่อสู้ในทางของล้ออาจจะเพื่อไปตั้งใจว่าจะไปทำอีบาด้าหรือเอาไปทําสิ่งดีงามงามอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าม้าตัวนี้จะอยู่อะไรอยู่ที่ไหนก็ตามจะทําอะไรก็ตามจะกินน้ําที่ไหนก็ตามมันจะเป็นผลบุญให้เขาไปตลอดชีวิตเขาเลยเฟรนด์นี้ท่านอบีุลเบจบอกว่าเป็นม้าที่ให้ประโยชน์นคือม้าที่ถูกซื้อมาโดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้อบล ร, รักต่อให้เขายังไม่ได้ใช้ม้าไปทําสิ่งที่ทําให้อบล ร, รักแต่เมื่อเป้าหมายมาอย่างนั้นแล้วเขาพยายามทําแบบนั้นจริงๆ ทุกครั้งที่พาชนะนั้นอยู่กับเขามันจะเป็นผ ล, ลบุญให้กับเขาตลอดไปถ้าเราตีกับยุคนี้ก็คือพาชนะที่เรามีทําไมแล้วถึงมีมันไปถูกต้องครับอาจารย์พูดมาช้าร้อแล้วครับผมแสดงว่ามุสลิมเราเวลาเราจะซื้อพาชนะเนี่ยต้องเหนียดให้ดีถ้าอยากให้มันเป็นผลบุญกับเราภาชนะนี้ที่ซื้อนะเพราะฉันอยากจะทําให้ให้มันเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้ร้อนรักฉันมากที่สุด แล้วมันจะเป็นผลบุญกับเราตลอดเราจะขับรถไปเติมน้ํามันต่อให้ขับออกไปไหนก็ตามทุกครั้งที่ใช้จะเป็นผลบุญให้กับเราเหมือนกับ حديث นี้ท่านเบียร์มอ ส, สลาสรัมพูดถึงเกี่ยวกับมาตัวนี้ทีนี้ครับท่านเบียร์มอ ส, สลาสรัมบอกว่าอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือชายที่ว่าซื้อมันมาใช้ประโยชน์ทั่วไปซื้อมาใช้ประโยชน์ทั่วไปแต่เขาก็ไม่ได้ลงลืม Allah ก็แน่จะเหมือนกับพวทั่วไปเวลาไปซื้อรถใช่ไหมครับเราก็ซื้อรถมาจะมาใช้เฉยๆในกรณีนี้ก็คือมันเป็นสิ่งพอเพียงสำหรับเขาคือจบในดุนยาคือไม่ได้ผลบุญอะไรเป็นพิเศษไม่ได้ผลบุญอะไรเป็นพิเศษก็คือซื้อธรรมดาซื้อมาก็ซื้อไปขับซื้ออยากไปเที่ยวมั่งไปนั่นไปมือตัวก็เพื่อส่วนตัวแตแว่ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเปียเงีย เไม่ขาดรอดซือต่อไหมเอ า, มาต้องขนาดนั้นครับมาต้องขนาดนั้นเปลี่ยนเนียดได้ก็ได้ครับเดื่องความไม่ตาของเราได้ก็คือว่าเราซื้อมาแล้วตอนแรกซื้อมามองเนียดจานเราเปลี่ยนเนียดได้แต่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนเนียดนะครับ ต, รรต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยให้สอดคล้องด้วยครับอ่ายัางขับมาเรียนอ่าขับมาละหมาดขับไปทําอิบาร์ได้ ขับไปทำอะไรดีแล้วก็เน için, lamation, ้นเลยว่าตั hey. ้งแต่น uh ี huh ้ฉันยาลอสตอนฉันซื้อรถมาเนี่ยฉันอาจจะซื้อเจตนาดีไม่ดีฉันไม่รู้แต่ตั้งแต่นี้ไปต้นไปขอให้มันเป็นบาร์การ์ให้กับฉันขอให้มันยังประโยชน์ที่กับฉันจะใช้มันดีที่สุดเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วเชอร์ล็อกมันจะเป็นภานาเทบาร์กะร์กับเราจริงๆเวลาซื้อม้าเนื่องาการเปรียบเทียบกับซื้อรถจะมีดูอาที่ขาเรียกว่าดูอาปากพยศแต่ครับคล้ายๆกับเวลาที่ผู้ชายแต่งงานก็จะมีดูอาที่ว่าเอามือวางบนหน้าผากของผู้หญิงแล้วขอดูอา เหมือนการพาน่าก็มีโอ้รถป่าพยศของซัดเมือนเจ้ภรรยาผมใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะเลยออกมประเด็นละเดี๋ยวมันจะไม่จบแต่สรุปก็คือว่าดูอาที่ควรจะขอเวลาใครซื้อรถใหม่ๆอ่ะครับโอ้รถฉันขอดูอาจะโภคให้ได้จากสิ่งที่ดีงามจากมันสิ่งที่ดีงามที่จะตามมาจากมันแล้วก็ฉันขอคองคองจากท่านให้พ่อถึงแล้วไดรอดผลจากความช่วร้ายของมันหรือความช่วยเหลที่ตามมันมา อันนี้เป็นเวลาที่เราคุณจะขอเวลาซื้อรถไม่ต้องให้มีห ม, ม่าเจิมไม่ต้องไปเชิญหลวงอะไรที่ไหนมาครับผมเราขอเวลาจากร้อยเองเลยเพราะเราจะของรถเนจิตนาชัจรินทีนี้ท่านอบีพูดไว้ครับม้าประเดี๋สุดท้ายในยกรณีของอีกคนนึงครับ <c oughs> เขาคือคนที่ว่าได้ม้ามาเรอได้พาหน้ามาเพื่ออวดได้คุบหน้าบานเป็นกระดงโอ้โันนี้ฉันได้ครับโชว์โอ่าฉันได้รถใหม่มา ไม่เอี่ยมป้ายแดงอยี่ห้ออะไรก็ตามแต่มันอวดได้หมดแหละไม่ต้องเป็นรถแพงๆใช่ไหมรถไม่แพงคนก็อวดได้ใครก็ตามที่ซื้อรถมาโดยมีเจตนาที่โอ้อวดหรือซื้อมาแล้วมีความเย่อหยิ่งจองหอง <c oughs> มันจะเป็นผลหลายสําหรับเขาก็คือเขาจะได้บาปตาหลอดกานจนกว่ารถนี้จะพังแล้วประเด็นที่น่ากลัวกว่านั้นท่านดีมัวสร์รยสลัมบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์ใครก็ตามที่ในหัวใจของเขา มีเศษเสี้ยวเดียวของความเยื่อหญิงจองหอ่อแตก่กระโบดครับจะไม่ได้เข้าสวรรค์ท่านนิยกจะไม่ได้เข้าสวรรค์ก็แปลว่าต้องไปผ่านอย่างอืงอ่กอนก่อนที่ไม่ใช่สวรรค์เพราะในเรื่องของพานะทําคนเสียผู้เสียคนมาเยอะแล้วนะครับยิงโดยเฉพาะผู้ชายหนุ่มๆ น, นะฟรานซิสแน่นจะรู้นะมันขี่รถใหม่มาที่บางทีเอามันไปกอดบนเตียงได้ก็อยากจะขึ้นไปกอดหรอนแนะแม่ได้ไปขัดได้นีถูได้ไ ด, ด, ดูมันเงามันอะไรรู้แล้ ว, ลวมันภูมิใจเอ บางทีไปแต่งไปอะไรอ่ะสรงผมสงผมอะไรอย่างนี้ทีนี้มันเกี่ยวอะไรครับกับพาริสกับกุอานที่เรากลังพูดนี้ก็คือหลังจากนั้นซอบ้าก็ถามว่าแล้วเรื่องลาล่ะอ่ะนานบีพูดถึงเรื่องมา้าพาหนะที่มันดูเท่ๆแล้วเรื่องลาล่ะท่านบบีบอกว่า สูระที่ฉันพบเจอที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับแปลที่สุดก็คือวอมายามันมิสโกราดราตินไคไรยะร์วอมายามันมิสโกราดราตินชรายะร์ใครทาสิ่งที่ดีไว้เขาจะได้เห็นมันใครทาสิ่งที่ชั่วไว้เขาจะได้เห็นมันก็คือเขาเอามันไปทําอะไรก็ตามเขาจะได้เห็นมันแน่นอนหมายถึงเขาซื้อรถที่เกียร์เปลาเข อ, อวดได้คือมันอยู่ที่คนะนะมันอยู่ที่คนคือคนเรามีอะไรอวดได้หมดหลยบางทีปั่นรถถีก็อวดได้แต่รถถีจักรยานสมัยนี้บางคันเป็นแสน บางครั้งเป็นล้าเลยนะถึงใกล้เคียงรถรถรถยนต์เลยนะครับผมคือขี่ปชนรถจักรานไม่เป็นไรอย่างเงี่ยคนคนตายรถจักรยานจักยเนี่ยจักรยานยอยู่แต่คนตายนะครับครับงั้นก็เรา กลับมาดูแบบทีลระยะทีละายะนะครับหลังจากที่ว่าเราบอิลาซิลติออดูซาล้วฮหลังจากที่ว่าแผ่นดินมันได้สั่นไหวอย่างรุนแรงซึ่งพอเราก็ได้บอกไว้ว่าเมื่อมันคลายเลยมาทุกอย่างหมดเมื่อมันพูดทุกอย่างเสร็จปุ๊บพอเราก็จะเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินใ ห, นนนใหม่รูปแบบเป็นยังไงวอลล์ฮัอารัมแต่ที่แน่ก็คือว่าถึงเวลาเนี่ยแผ่นดินที่เป็นทุกข์มาชัดเนี่ยจะเป็นผืนแผ่นดินใหม่ที่พอเพียงที่ว่าคนทั้งโลกรวมทั้งยินรงมทั้งสิ่งมียิทุก อย่างที่เราเคยสร้างสามารถอยู่รวมกันได้หมดเลยแต่หลังจากที่ว่าพ้นจากวันสิ้นโลกใช่ไหมครับเมื่อจะถึงเวลาแห่งการฟื้นคืนชีพพวกเร า, า, ใ, หเร า, เารให้เมลิก้าเป่าซูดไฮดรอกซีนเป่าเป่าซูดเมื่อเป่าสูดปุ๊บแผ่นนี้ก็เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงแล้วก็มนุษย์ก็จอกมามนุษย์ก็ยึดขับออกมาพร้อมกับร่างกายใหม่พร้อมกับร่างกายใหม่ที่เป็นร่างกายที่คู่ควรที่เขาควรจะได้รับ ก็คือบางคนก็ได้ร่างกายที่งดงานสวยงามของชาวสวนบางคนก็ได้ร่างกายของชาวนาลกูกบางคนก็ได้ร่างกายที่ว่าต้องใช้หน้าเดินบางคนก็ได้ร่างกายที่ว่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นร่างกายแต่ละคนขึ้นอยู่กับการงานที่เขาทําไว้ในดุนยาเขาคู่ควรกับอะไรพวาะเราใช้ร่างกายที่คู่ควรกับเขาเพราะฉนั้นใครอยากได้ร่างกายแบบไหนตอนนี้เลือกปั้นได้เต็มที่เลยเรากําลังเลือกปั้นอยู่ครับมีหมดทุกอย่างแต่ตาบอดเลยประมาณเนี้ยอ้ทำหนึ่งลินละไอ้มีไอ้มนะครับ ขอให้ได้ร่างกายที่สวยงามเป็นร่างกายแรกเป็นร่างกายแรกเพราะงั้นไม่มาที่นี่ได้ทำดีแล้วทำดีแล้วเพราะว่าร่างกายของชาวสวรรค์เนี่ยครับชาวนรกก็จะได้เราเคยสงสัยไหมครับว่าชาวนรกได้ร่างกายนรกแล้วเข้าสวรรค์ร่างกายจะได้ร่างกายใหม่ไหมมีใครรู้คําตอบไหมครับสมมุติมีคนถามเรารู้แล้วว่าชาวสวรรค์พวกเราจะสร้างร่างกายที่สวยสดเงือกมเหมาะสมกับที่จะได้เข้าสวรรค์ ชาญรุกรก็มีร่างกายที่ว่าอั ป, ป ร, รักใหญ่โตยิ่งใหญ่ที่แบบว่าเหมาะกับการให้มันโดนลงโทษหนักๆให้มันถึๆุๆแล้วถึงเวลาท้าชานรกเข้าสวรรค์แหะครั บ, รบอะไรทำดีแล้วครับก็คือเอ่อเป็นทั้งข่าวดีแล้วก็เป็นทั้งข่าวร้ายเป็นทั้งข่าวดีแล้วก็เป็นทั้งข่าวร้ายใครก็ตามที่ผ่านการลงนรกมาก่อนจะกลายเป็นสินค้ามีตํำหนิ จะกลายเป็นสินค้ามีตําหนินหมายความน้อยๆนครับที่ซาบีว่สาสารรัมพูดไว้ก็คือตอนที่ว่าคนที่เขาโดนลงโทษถึงที่สุดของการโดนลงโทษแล้วถึงจุดจบแล้วพวกเราะจะใช้ไฟนรกนกินเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายในร่างกายเขาจะดําเป็นตอตะโกคือตายจริงๆเหมือนเป็นการตายเป็นการตายชั่วข้าวไม่ใช่ครอบการตายชั่วข้าวแล้วพวกเราก็ใช้น้ําแห่งชีวิตหยดใส่ร่างกายนั้นของเขา ร่างกายที่ดำไปแล้วนะครับเป็นตอตะโกไปแล้วแล้วพวกเราก็ใช้เป็นร่างกายใหม่ที่งดงามของชาวสวรรค์ก็คือสวยสดงดงานแบบชาวสวรรค์แต่ที่หน้าผากจะมีตำหนิอยู่เกอร์ือให้เขารู้ว่าเขาผ่านอะไรมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบของมีตำหนินะครับก็อยากไปเลือกแวะข้างทางบ่อยเราไปทางตรงนะอิสลาเนั้นเป็นเส้นทางที่ตรง เหมือนกับที่ท่านอับดุลเบี๊ย์มัสเรติรามครั้งหนึ่งครับท่านบีได้ขีดเส้นไปเส้นตรงแล้วก็บอกว่านี่แหละคือซีร์ตัมุสกีมที่เราขอดยเป็นประจำในสุลต่านฟาติฮ่าครับโป ด, ดให้เป็นทางที่เที่ยงตรง mm hmm. ท่านบีก็บอกว่านี่คือเส้นทางของล้อหลังจากนั้นท่านบีได้ขีดเส้นด้านข้างเยอะแยะเลยแล้วท่านับบีก็บอกว่าในเส้นทางของล้อเนี่ยมันจะมีทางแยกเยอะแยะแต่และเส้นทางจะมีชัยตอนนั่งอยู่ mm hmm. เพื่อคอยกเราให้หลุดออกไป เพราะฉะนั้นทนบีใช่ ค, ค่ะว่าเส้นทางจุดนี้จนถึงจุดนี้คือจุดเริ่มต้นจนถึงวันตายของเรามีชัยตอนรอทําให้เราเสียคนตลอดช่วงชีวิตอายุขของเราเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นอะไรเป็นหลักประกันว่าเราจะเป็นคนดีไปได้ตลอดหรือใครสักคนจะเป็นคนชั่วไปตลอดการงานทั้งหมดวัดกันตอนไหนครับวัดกันที่ตอนจบวัดกันที่ตอนจบเพราะาคนบางคนครับตลอดชีวิตอาจจะทําพฤติกรรมชาวสวรรค์มาตลอด พอใกล้ถึงเส้นชัยเนี่ยไปเสียคนตอนแก่มีไหมมีมีไม่ใช่ไม่ใช่น้อยด้วยไม่ใช่น้อยด้วยในขณะที่คนบางคนครับตลอดเส้นทางนี้เป็นชาวนารกมาแล้วก็มาถึงบ้านปลายเนี่ยกลายเป็นชาวสวรรค์ก็มีเหมือนกับแม่ทัพใหญ่ของโรมันตอนที่จะทำสงครามกับท่านคอริสผมเคยเล่าเนี่ยครับยังนะโอเคเออในสมัยท่านท่านคอริสในช่วงของ สมัยที่ท่านอุมัตเป็นคอลิฟฟ้าเป็นผู้ปกครองก็คือท่านในวิวัฒนากา ร, สรเสียชีวิตไปแล้วในยุคนั้นก็คือก็มีการทําสงครามระหว่างมุสลิมกับอาณาจักรโรมันซึ่งอาณาจักรโรมันเนี่ยครับก็มีแม่ทัพใหญ่มาซึ่งแม่ทัพใหญ่เนี่ยขอเจรจา ก, ก่อนที่จะสู้คือสู้นือสู้เฉยๆอยู่แล้วเพราะว่าโรมันก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วส่วนมุสลิมก็คือตั้งใจอยู่แล้วว่าอย่างไงก็ต้องสู้ละเพื่อเกตดความยุติธรรมความถูกต้องบนแผ่นดินทีนี้ครับแม่ทรับ ขอท่านคาริสมาคุยกันก็คือแม่ทัพของชาวโรมันก็เป็นชายชาตินักรบเนี่ยแทนจากโรมันนี่คือชาตินักรบนี่หายห่วงอยู่แล้วขับม้ามาคนเดียวเลยคือทัพทั้งสองเนี่ยประจันหน้ากันละแล้วก็แม่ทัพเนี่ยขับม้ามามาอยู่ตรงกลางเลยตามลำพังเลยนี่คือความแก้าหาแล้วก็บอกว่าเรียกรองท่านคาริสมาบอกว่ามาคุยกันหน่อยฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยท่านคาริสก็ก็นักเลงเหมือนกันนักเลงพอนักรบเหมือนกันท่านคาริสก็ ควบมา้าไปม้ากับม้าก็ชนกันก็คือหัวคอม้ากับคอม้าชนกันก็คืออยู่ในระยะคือต่อยกันได้เลยอ่ะแม่ทัพก็ถามบอกว่าฉันได้ยินมาว่าคุณคือดาบของลันล้อพระเจ้าให้ดาบคุณมาเลยคือถ้าเกิดในเรื่องราวในตามตำนานต่างๆใช่ไหมครับของทางยุโรปเราจะรู้ว่าดาบของพระเจ้าก็คือเป็นดาบที่ประทานมาอย่างกษัตริย์อาเธอร์ชักดาบได้ก็เลยเป็นแม่ทัพเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับ แม้ทั้วันนี้ก็ถามว่าเอาล้อให้ดาบคุณมาเลยท่านขริตก็บอกว่าไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ให้ดาบแก่ผมมาแต่พระเจ้าเรียกผมว่าผมเป็นดาบของพระองค์ที่ใช้ในการประหัตประหารความชั่วร้ายบนผืนแผนดินคือถ้าเกิดว่าวิธีสันติเรื่องของความสงบเรื่องของอะไรถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้ซักอย่างถึงขั้นสุดท้ายที่ต้องใช้กําลังและต้องปกป้องแล้นี่คือบทบาทของผมดาบของอัล้อ แล้วดาบของอัลลอฮ์ก็มีหลายเล่มคือต่อให้ผมตายก็ยังมีคนอื่นที่เป็นดาบของอัลลอฮ์ อ, อยู่แม่ทัพคนนั้นฟังก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ถามว่าอย่างพวกคุณเนี่ยอยู่ในยุค ข, ของนบีเนี่ยพวกคุณต้องได้ผลบุญมหาศาลใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นมุสลิมในช่วงแรกๆถ้าคนที่เข้ารับอิสลามในช่วงหลังเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาจะได้ผลบุญเท่าคุณ เป็นขั้นสามที่แปดเป็นไปได้ไหมที่จะได้ผลบุญเท่ากันถ้าเข้ิทต่องว่าไงครับเป็นไปได้สิได้มากกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าพวกเราเห็นท่านนาบีเห็นปาฏิหาริย์ทุกอย่างของนบีเราเลยศรัทธาแต่ถ้าคนที่มาในภายหลังพวกเราเขาไม่มีโอกาสได้เห็นสุรศรลองในสลัมเขาไม่มีโอกาสได้เห็นปาฏิหาริย์เขายัางเลือกที่จะศรัทธาต่อนบีอัลลอฮ์จะเตรียมให้กับเขามากกว่าที่ให้กับพวกเรา แม่ทัพนั้นพอได้ฟังเสร็จปุ๊บครับกล่าวกันดีไหมแล้วก็เข้าไปในกองทัพของมุสินแล้วก็เสียชีวิตในกองทัพนั้นเลยเสียชีวิตในสงครามนั้นเพราะว่าเป็นคนทรารยศทใช่ไหมครับยังไงก็ต้องโดนหมายหัวฝั่งโรมันต้องหมายเก็บเป็นคนแรกแล้วก็เสียชีวิตก็คือประเด็นที่จะพูดก็คือว่าตลอดชั่วชีวิตของเขาเลือกเส้นทางของผู้ไปเสดสัทธามาตลอดแล้วมาเปลี่ยนในบ้านปลายสุดท้ายนิดเดียว ว, นนวันนั้นเลยยังไม่ทันได้ละหมาดสักเวลาเลยคือเป็นมุสลิมและเรียกว่าเป็นตาบีอินเพราะไม่ได้เห็นนบียเป็นตาบีอินที่เข้ารับอิสลามโดยที่ไม่ทันได้ละหมาดแม้แต่ละกกาเดียวไม่ทันได้ทําอิบาระอะไรเลยแต่เสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ตายชั่งหินสุบานอัลลอฮ์เพราะนั้นบทบาทชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกเองนะครับว่าเส้นตรงเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วเรามีโอกาสเป็นมุสลิมเนี่ยเรารู้แล้วว่าเส้นตรงคืออะไร เรารู้เกือทุกอย่างแล้วหรือไมอก็เราก็ศึกษาเราก็จะรู้ว่าอะไรคือเส้นตรงหน้าที่ของเราก็คือว่าไอเส้นข้างๆทัง้งหลายแหละที่ชัยตอนมันจะลากเราไปเนี่ยเราจะตามใจมันแค่ไหนหรือจะตามใจตัวเองแค่ไหนเราอยากจะได้ร่างกายแบบไห น, นอยากจะได้ร่างกายแบบสวยสดงงามหรือสวยสดงงามแบบมีตำหนิหรือร่างกายของชาญลร้ปเน์เราเป็นคนที่เลือกเองเราเป็นคนที่เลือกเองเลือกแล้วใช่ไหมครับ ทำดลแล้วครับอาจารย์ดีแล้ขอรัฐตอบรับการงานที่ดีของเราแล้วก็ขออย่าให้พวกเราต้องไปเสียคนในตอนบ้านปลาของเรานะครับอาจารยครับผมทุกคนทุกคนครับอิจฉาวะครับผมครับงั้นในสิ่งที่ผู้อัฐได้ให้องค์การที่ว่าบีอันนารับประกันเอาฮาละฮานะครับในสิ่งที่ผู้ยุบาลได้สั่งใช้ให้กับแผ่นดินอะไรบ้างที่แผ่นดินจะพูดให้กับมนุษย์ฟังสิ่งที่แผ่นดินพูดให้กับมนุษย์ฟังก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทําบนมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทําบนมันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วร้ายแผ่นยินจะบอกให้หมดเลยจนถึงขั้นว่ามนุษย์จะบอกว่ามาและหามันอะไรกันนี่คือมันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเว้นแม้แต่เรื่องเล็กแม้แต่เรื่องน้อยท่านอบูบักครับตอนที่ว่าได้ยินสุ ร, ร้อนเนี่ยท่านร้องไห้เลยแล้วก็บอกยาระสุร้อนนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเลยเหรอจะต้องถูกตีแผ่เลยเพราะว่าท่านอบูบักท่านก็ มีอดีตมาก่อนถูกไหมครับเพราท่านก็เป็นกาเฟรมาก่อนก่อนที่จะได้เข้ารับอิสลามก่อนที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดบนผืนแผ่นดิน<ม>ท่านกลัวเอาล้อในอดีตของท่านแล้วท่านก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่สุดล้อที่เราต้องโดนตีแผ่หมดเลยเหรอแล้วเราจะรอดเหรอท่านคิดขนาดนั้นเลยจะรอดเหรอท่านอับดุลลามุสลิม อ, อะเลฮ์ซัมได้ปลอบใจว่างไงครับอบูบักเจ้าไม่รู้หรื้ว่าทุกๆความดีงามที่เจ้าทำหนึ่งความดีนั้นเอาล้อจะให้เป็น สิเท่าในขณะที่ความชั่วนั้นจะได้เพียงเท่าเดียวถ้าได้ทำมันอันนี้คือความเมตาของมระเดี๋ยวเราตอบอาจารย์ได้อื่มาตอบกันช้ามากครับ ีวจะมาสิคอยมาที่มาไม่มีเยอะเลยแต่ดีว่าว่าบาสมุกัมมันไมมแต่ครับกลับมาพูดถึงฮาดิสเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะครับผมพูดสลับชื่อซอบัสรองให้นี่คือท่านอาบูสาิทอัลคุญรีคือรองให้ทั้งคู่พอได้ยินสุร้อเนี่ยท่านอบูสิทกับท่านอบูบัสรองให้ทั้งคู่ท่านบีก็ถามท่านอบูสายิว่าทำไมท่านถึงรองให้ท่านอบูสาก็บอกว่าความช่วยที่ฉันทามันมากมายท่านอบีก็บอกว่าในทุกความดีนั้นจะได้สิบเท่าความ าอาบูบักร้องไห้เช่นเดียวกันร้องไห้ในเรื่องความผิดบาปที่ทํามาท่านอบีได้ปลอบใจท่านอบูบักด้วยกับสิ่งที่ว่าน่าจะปลอบใจพวกเราได้ด้วยท่านอบีบอกว่าหากไม่ใช่เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นยังทําบาป ก, กันอยู่หากไม่ใช่ว่าเพราะพวกท่านทั้งหลายยังทําบาป ก, กันอยู่พระ อ, องค์ก็คงจะลบหล้างพวกท่านไปนานแล้วอะดิสนี้หมายความว่าไงครับ อดิสนี้หมายความวม่าไงท่านนาบีมุสาลิมอวยสาลามกัลลังบอกถึงหนึ่งในคุณลักษณะที่มนุษย์เท่านั้นที่มีแต่อะไรกะไม่มีแล้วเป็นคุณลักษณะที่ทําให้พระองค์ละรักมนุษย์มากกว่ามอาะไรกะวะหล่ออาลัมวะหล่ออาลัมมันคือคุณลักษณะอะไรครับความสามารถในการทําบาปแล้วกลับตัวไม่ใช่ทําบาปอย่างเดียวนะทาบาปไม่ใช่ข้อดีแต่คือทําผิดแล้วกลับตัว เพราะคุณลักษณะของลอที่ชื่อว่าอัลลอฟูตอัลลอฟฺฟาตผู้ให้อภัยโทษเป็นคุณลักษณะที่ให้กับมนุษย์กับยินเท่านั้นเ mm hmm. พราะมารีกาไม่ได้ทําผิดไม่ได้ขอให้โทษตอ่อลอทเพราะนั mm ้น hmm. ท่านอบีจึงบอกว่าหากไม่ใช่ว่าพราะพวกท่านนั้นทําความชั่วทําความบาปแล้วก็มีการกลับเ น, นกับตัวพวกลอทก็คงจะลบหล้างพวกท่านแล้วเอากลุ่มชนใหม่มาที่เขาทําบาปแล้วก็กลับเ น, นกับตัวเพราะฉะนั้นท่านบอบดุลี๊อบใจเราให้รู้ว่าไงครับ mm hmm. การทําบาปของเรามันไม่ได้มีแค่ข้อเสียนะ ท่านนบีไม่ได้พูดถึงอนาคตของเรานะท่านนบีพูดถึงอดีตของเราอดีตที่ผ่านมาของเราที่เราทําความชั่วไปแล้วแล้วเรากลับเนื้อกลับตัวแล้วเนี่ยความชั่วเหล่านั้นมันอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดีงามยูบัดรุลลอฮ์ฮะไยาติมฮัสน่าที่ร่กลับในกร่องความชั่วร้ายของเขานั้นพวกเราจะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดีฮาดีษบทนี้ท่านนบีพูดถึงอดีตของพวกเรา คือเป็นการปรอบประโลมทั้งท่านอบูบัคทั้งซอบัคตอนนั้นแล้วก็ปรอบประโลมว่าชีวิตคุณอาจจะผ่านอาดีตมาเยอะอาจจะผ่านความชั่วร้ายมาเยอะถ้าคุณเตาบ้าแล้วมันคือสิ่งที่ดีงามที่คุณได้ทําความชั่วไปแล้วได้กลับตัวแต่ไม่ได้พูดถึงอนาคตไม่ใช่บางคนบอกเออเงี่ยทำควาความชอบความชั่วได้เลยไปเดี๋ยวออกจากสุเหร่านี้ไปเที่ยวไปฟังเพลงไปไหนขับไปนั่นไปนี่เพราะนาบีบอกว่าเราต้องทำความชั่วเอาเราจะได้รักไม่ใช่นะฮะดีสวดนี้เป็นการปลอบใจในเรื่องอดีตของเรา อย่าเอาไปใช้กับอนาคตน่าจะเคลียร์แล้วครับงั้นเรามาช่วยสรุปกันครับว่าเราได้รับสาระอะไรจากซูร์รรื่อสานกันบ้างขอกันคนละข้อได้ไหมครับโหดไปไหมไม่โหดหรอกกัรทำนี้แล้วครับมีอ้ายอยู่คนเดียวนี่ได้เจดคอแล้วครับรอ้าวปรื่นก่อนไหมได้อย่างเท่ากสุซระอนนี้อ่ะเอามาหนึ่งอย่าง มาสามแล้วครับได้รับรู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของมันเขียมากก็คือเปิดตัวมาก็อลังการ<ม>คือปกติเปิดตัวนี่มันต้องเล้าใจใช่ไหมครับนี่ก็สั่นสันไว้อย่างรุนแรงขับทุกอย่างออกมาแล้วก็ให้ได้รู้กันคือเริ่องตนมาก็สยองแล้วเยี่ยมมาชามแล้วครับไอต่อเลยบอกครับเอารูดว่าไอ่ที่เอาเดใช้ยาหน้าเนี่ยเอาเนี่ยการตั้งใจเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยถ้งมันดีดีมันจะเป็นฝนบุญต่อให้จอดอยู่กับบ้าน มันก็เป็นความดีครับเนี่ยดีทําดีตัวอ่ามันจะแค่หลับตุกเราเยี่ยมครับคุณนะครับมาเช้ามาับจะเวามดีวาัดแกนที่ตอนปลายมาเช้ามาครับจะเป็นความดีความช่วยวัดแกนที่ตอนจบเยี่ยมครับผมคุณนะครับสักหน่อยอะไรก็ได้จริงๆริงประเด็นประเด็นที่ผมอยากคุยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็คือแล้วก็ตามชั่วโมงของเรานะครับผมได้หนักได้ได้ผลที่ใหญ มาเชะ้ะมาเชาวะสิ่งที่เราได้รับอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าแตา่ใดก็ตามที่เรายัางเป็นมนุษย์อยู่บนดินอยู่ใต้ดินคือมีดินเป็นส่วนประกอบอะนะต่อให้อยู่บนฟ้าล้วก็อยู่เหนือดินทุกอย่างที่เราทำทั้งความดีและความชั่วมีคนรับรู้หมดเลยนอกเหนือจากฟัวร์ละนอกเหนือจากมลทินแอย่างน้อยที่สุดแผ่นดิน เป็นสักขีพยานในทุกอย่างที่เราทำเพราะนั้นสําหรับใครก็ตามที่ทําความดีแล้วถูกอาธรรมก็ขอให้เขาสบายใจได้ว่าถึงเวลามีสักขีพยานโลกหน้าจะมีคนไปเป็นสักขีพยานต่อหน้าอัลลอฮฺว่าไอ้นี่มันรองหลิ ม, ฉ, มลฉันอย่างนั้นไอ้นี่มันละธรรมฉันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการปลอบประโลมใจเราเช่นเดียวกับคนที่ทำความชั่วครับต่อให้เราแอบทําความชั่วร้ายแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยที่สุดแผ่นดินรับรู้และจะเป็นสักขีพยานซึ่งท่านระเบียบว่าโลกหน้าเนี่ยจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจะมีของ เป็นจำนวนไม่น้อยที่เป็นสักขีพยานในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาชาวมาครับผมสักอย่างครับสักอย่างครับผมอ่าทำดุริแลครับถ้าเกิดเฮามีอย่างที่ดีๆปุ๊บเฮาก็ขอพูอักเลาขาากอ้คับกอ่าุณเฮา่ออให้นักนกเวลามีไข่มาชมเฮาก็อู้ว่าอลฮัมดุริแลครสิ่งที่ช่วยลดความโอ้อวดคือคำพูดว่าทำดุริแล คือประกาศให้เขารู้ว่าสมมติมีคนบอกว่าโอ้นี้รดคุณหมอตน่นอ่ะอัลฮัมดุลิละมันคือความเมตตาของอัลลอฮ์มันไม่ใช่ความสามารถของผมพอพูดอย่างนี้มันจะเหยียบเหยียบอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งครับอาจารย์ขอสักหน่อยครับครับอัลฮัมดุลิละครับเป็นความยิ่ใหญ่ความเมตตาอันยี้ใหญ่ของอัลลอฮ์ครับผมชื่อว่าขอเสิร์ฟอนึ่งวันถึงวังสนสนิจอดคุณศาสตราจักรใจฟังนะครับ แล้วครับขอเสริมประเด็นที่อาจารย์อูนะครับท่านอับดุลสลัมพูดใน่ระคุยหมาบุคครนี้ได้มามุสลิมว่าลาไรทักจีรอนนัมินันมาลุฟฟันใช้ว่าเราอันตัลกะอคอกับิวชินตะลกินอย่าได้ดูถูกความดีงามไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามอิสลาม ถ้าเบบีบบบว่าสนาบออย่าได้ดูถูกเพราะใครจะไปรู้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้อัลลอฮ์ไม่ตาเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าสวรรค์เพราะว่าเล็กน้อยแค่ไหนอัลลอฮ์ก็จะเอามาสอบสวนแล้วบางทีไอ้ที่เล็กน้อยนั่นแหละที่ทําให้เรารอดเพราะฉนั้นเบบีจึงเตือนว่าอย่าได้รังเกียจหรือว่าอย่าได้ดูถูกความดีเล็กน้อยต่อแม้จะเจอพี่น้องของเราแล้วเรายิ้มให้เขา หรือว่าเราช่วยเหลือเขาหรือว่าเราพูดจากับเขาดีๆหรือว่าเรามีมารยาทที่ดีกับเขาหรือว่าเราขับรถไปท้องถนนเราเจอเศษที่มันจะเป็นอันตรายเราจอดรถเราขยะไปทิ้งท่านอบีว่าอย่าได้ดูถูกแม้แต่อย่างเดียวถ้ามันเป็นความดีอันนี้สมมุสินจะได้ถูกซึ่งท่านอบบีมัสลัมพูดอีกฮะดิสวดหนึ่งว่าจงยำเกรงจงกลัวต่อต่อนาลกถึงแม้จะด้วยกับอินาผาลำก้านเดียวหมายความว่าไงครับถึงแม้จะ เอาเงินผลาญเล็กน้อยไปบริจาคให้คนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เรากลัวนรกแล้วเราอยากให้เราล่อให้เราล่อพ้นจากไฟนรกเพราะว่าสิ่งที่ดับความโกรธเกี่ยวขอร้อยได้ดีที่สุดคือการบริจาค ก, การบริจาคคือการดับความโกรธเกี่ยวขอร้อยดีที่สุดท่านบีจึงบอกว่าจงกลัวต่อนรกถึงแม้จะด้วยกับการบริจาคเงินผาาลาญก้านเดียวก็ตามถ้าใดมีอะไรจะเสริมต่อไหมครับสักหน่อยหรืสักข้อบ่ไหวไหมครับโอเค มาชาล่าครับเยี่ยมครับก็คือว่าอาดีตมันไม่สําคัญครับอดีตเราอาจจะผ่านอะไรมาสารพัดผ่านความชั่วบางคนบอกว่าความชั่วฉันมันไม่สมควรได้การให้ใหใหอภัยหรือบางคนอาจจะชี้หน้าด่าเราบอกว่าไอ้นี่มาทําชั่วอย่างนี้มันไม่มีทางได้รับอภัยเราก็จะรู้ได้ว่าอัลลอฮ์นั้นความเมตตาของโพระงนั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือจะเป็นความชั่วร้ายไหนก็ตามพระองค์พร้อมที่จะยกโทษให้หากเรากับเน้นกับตัวต่วตววอผู้่ี้แท้จริงส่วนเจ้าทุกข์ของเราโพระองค์จะชดเชยให้เขาอย่างแน่นอน อันนี้คือความเมตตาของเราครับนั้นน่าจะแค่นี้นะครับเป็นตุลาศาสตรแล้วก็ขอบคุณท่านสำหรับวันพรุ่งนี้เช้าแล้วเราก็จะกลับมาพูดคุยในส่วนของประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะเริ่มประวัติศาสตร์ของระบียบวัสดุล่องอิสลามโดยจะเริ่มจากข้าศุนย์อาลักก่อนแล้วก็จะไปตามหลักสูตรครับผมสำหวันนี้พูดผิดพลาดเรื่องใหนไปต้องขอมภัยด้วยครับแล้วก็ขอเราเมตตาพวกเราแล้วก็ขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าพุทธสุนทรติมารมีฉากจบจุดจบที่ดีจบที่ตายยังไงก็ได้ ตายยังไงก็ได้แต่ขอให้ตายแล้วอัลลอห์รักตายแล้วได้ร่างกายที่ไม่มีตำหนิครับที่มันสวยสดัดาม้ยเถิดอาเมีครับอกลกลีฮดะบัสซลลอฮลิวาลกุมวริลมุสลิมนมินคุรลบัสกลูอินรลกัฟูรฮิซุบฮานัลลอฮาริัมดิขะอัฮะดลลาอิลันตสกะตุลามานุบะตุลลมะมาร์กะต